สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีเชียงพีานาครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟรซูตอนที่ห้าร้อยแปดสิบห้าก่อนที่จะเข้าไปถึงเนื้อหานะครับผมอยากจะขอขอบคุณผู้ฟังนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งได้เขียนมาเพื่อที่จะถามผมแล้วก็ผมได้พบว่านี่คือความผิดของผมเองก็คือว่าคำว่าพระเยซูไม่ใช่พระบุตรนะครับอยู่ในตอนที่ห้าร้อยแปดสิบสองนะครับ พี่น้องครับแท้จริงแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรครับความจริงผมตั้งใจจะเขียนว่าพระเยซูไม่ใช่พระบิดาพระบิดาไม่ใช่พระเยซูนะครับแล้วก็ตั้งใจจะพูดเช่นเดียวกันครับว่าพระเยซูไม่ใช่พระบิดาและพระบิดาไม่ใช่พระเยซูเพราะฉะนั้นจริงของอนุญาตนะครับและขอภัยมาณที่นี้ที่หลายหลายท่านอาจจะอ่านแล้วรู้สึกว่าผิดก็บอกผมนะครับเราน้อมรับคํา เสนอแนะทำเตือนสติทุกอย่างพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อที่สองซึ่งเป็นความหมายที่สองในความหมายสามประการนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเยซูได้ทรงประทานพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์มาให้กับเรานะครับเมื่อพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์มาให้กับเราแล้วพระองค์นั้นได้ทําให้เกิดคอมมิวนียนนะครับคอมมิวนียนก็คือการเข้าส่วนสนิทสนมซึ่งกันและกันซึ่ง ปรากฏออกไปในสาประการนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของเฟลชิปก็คือสามาคีธรรมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิปซึ่งเป็นหุ้นส่วนนะครับและในวันพรุ่งนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องอินเตเมชีซึ่งแปลว่าความสัมพันธ์สนิทเพียงครับเฟลชิปนั้นเรารู้นะครับว่าเป็นคําว่าเพื่อนหรือคําว่าเกลอนะครับแต่ว่าพาร์ทเนอร์ชิปนั้นแปลว่าหุ้นส่วนครับคําหุ้นส่วนนั้นก็คือเรามีความสนิทสนมกัน ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนในคําที่ชื่อว่าคอยโนเนียนะครับเราเห็นตัวอย่างการเป็นหุ้นส่วนในภาคกิติคุณลูกาครับในภาคกิติคุณลูกานั้นลูกาบทที่ห้าข้อหกข้อเจ็ดนะครับผมจะอ่านให้วิโนฟังนะครับเมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จํานวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปริพวกเขาจึงทําสัญญาณบอกเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลาหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มา และได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเหลือเพียบพี่น้องครับคํากรีกของคําว่าเพื่อนๆก็คือ metosos นะครับ metosos ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ coynia er ครับมีความหมายก็คือหุ้นส่วนนะครับหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่ร่วมงานกันคําว่าเพื่อนร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า c o l l e a นะครับคนพวกนี้ครับคือการทํางานร่วมกันครับเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ จากเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจว่าหุ้นส่วนที่ดีนั้นจะต้องสื่อสารต้องลงมือนะครับต้องช่วยกันชายชาวประมงเหล่านี้จาเป็นต้องให้สัญญาณกับเพื่อนเื่อนของเขาและเพื่อนเื่อนของเขาก็เข้ามาช่วยเพื่อครับเวลาที่เราทำงานเพื่อพระเจ้าเราต้องร่วมใจกันทำงานนะครับช่วยเหลือกันและกันมือของเรานะครับต้องลงไปครับที่ใช้คาว่าลงมือนั่นเองในหนึ่งโครินธ์บทที่สามข้อที่เก้านะครับ ท่านอัครทูตเปาโลได้เขียนชัดเจนว่าเพราะว่าเราร่วมกันทํางานเพื่อพระเจ้าทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์ถามว่าสนุกไหมครับต้องสนุกครับเราจะเห็นทีมเวิร์กเกิดขึ้นที่นี่นะครับพวกเราเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อพระเจ้าในขณะเดียวกันครับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เองขอโทษครับเป็นเพื่อนร่วมงานของเรา ที่เราจะได้รับโอกาสจากพระองค์และเดียวกันในเวลาเดียวกันเราก็มีส่วนที่จะช่วยพระองค์ให้ทำงานสาเร็จ <c oughs> เราทั้งหลายเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าครับพี่นะครับหุ้นส่วนที่ดีต้องทำงานเข้าขากันหุ้นส่วนที่ดีต้องทำงานเข้าขากันต้องส่งชิคแนลก็คือสัญญาณให้กันและกันนะครับเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเป็นหุ้นส่วนกับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นลูกเรือครับ เราทำงานเพื่อพระเจ้าเราทำงานร่วมกับพระองค์นะครับหลายครั้งทีเดียวเราค้นพบว่าเราจะทำงานกับพระองค์นะครับโดยการที่เราจะต้องพึ่งพระองค์ครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองพี่น้องครับในกิจการบทที่สิบห้านะครับเราก็จะเห็นองค์ประกอบของการเป็นหุ้นส่วนในภาคปฏิบัติอัครทูนั้นได้เขียนจดหมายส่งไปยังคริสจักรชาวต่างชาติหรือคิสเตียนชาวต่างชาตินะครับ พี่น้องครับในข้อที่ยี่สิบแปดพระเจ้าของพระเจ้าเขียนอย่างนี้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนพวกท่านเว้นแต่สิ่งต่างๆที่จําเป็น <c oughs> พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราหมายความถึงการทํางานร่วมกันของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาพวกอากาัครทูตนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีครับ ในการที่เราจะเข้าใจคาว่าคอยโนเนียในมุมมองของพาร์ทเนอร์ชิเราจะเข้าใจความสัมพันธ์นะครับในลักษณะของหุ้นส่วนพระวิ ญ, ญญาณสถิตยอยู่กับเราเสมอครับและพระวิญญาณไม่เคยหลับไม่เคยทอดทิ้งเราสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือว่าพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์อยู่ในฐานะหุ้นส่วนอาวุโสครับพี่น้องหุ้นส่วนอาวุโส เราต้องตระหนักว่าพระเยซูนะครับได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนในงานของเรานะครับไม่เพียงแต่พระองค์จะทรงเป็นสหายไม่เพียงแต่พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราอยู่ในเราขับเคลื่อนเราสร้างแรงจูงใจให้กับเราสร้างแรงปรารถนาให้กับเราแต่พระองค์ก็เป็นหุ้นส่วน อวุโสนะครับหุ้นส่วนอาวุโสนั่นก็คือเป็นผู้ที่แต่งตั้งเราให้ไปเกิดผลเพิ่มพีตอนนี้นะครับกิจการบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบแปดจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดู คริจจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่แต่งตั้งครับหลายใครั้งทีเดียวในพิธีแต่งตั้งหรือพิธีสารปนาผู้รับใช้ผู้ปกครองในคริจจักรหรือแม้กระทั่งผู้ที่ดําเนินการผู้นําต่างๆของคริจจักรพี่น้องครับดูเหมือนว่าคริจจักรจะแต่งตั้งนะครับแท้จริงแล้วคริจจักรก็มีสิทธิที่อํานาจในการแต่งตั้ง แต่สิทธยมหน้านี้คริสตจักรได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับคริสตจักได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นฝูงแกะซึ่งพระเยซูให้เราดูแลนะครับนั่นหมายความว่าเราเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนระหว่างพระเยซูกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็พวกเราทั้งหลายทุกคนเพียงครับพระเยซูได้ทรงไถ่คริสตจักของพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นพระภาคหนึ่งของพระเจ้า ผู้ทรงสถิ์บนโลกในเวลานี้พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งผู้ปกครองดูแลผู้นําคริสตจักรผู้จัดการคริสตจักรต่อจนบรรดาพี่เลี้ยงฝ่ายกิติวิญญาณหรือผู้ที่กระทํากิจของพระองค์ในคริสตจักรพรงทรงเป็นเจ้านายครับผู้วิญญาณก็คือว่าพรงคทรงเป็นหุ้นส่วนอาวุโสครับอัครทูตเปาโลนั้นตระหนักถึงความจริงที่ว่าพู้วิญญาณบริสุทธินั้นคือผู้ที่สถิตยอยู่กับรเรา อยู่ภายในเรานะครับเราจะเห็นว่าระหว่างที่เขาเครื่องหลายนมันการกันในคริสจักรนั้นขณะที่เขาอดอาหารอยู่เพื่อญญยมบริสุทธ์ก็ตรัสครับนะครับเพื่อนแยมญญบริสุทธ์ก็แต่งตั้งครับเพื่อญแยมบริสุทธ์ทรงนำครับเราเห็นว่าเพื่อนแยมญญบริสุทธ์นั้นทรงเป็นหุ้นส่วนนะครับกับพวกเราอาภรรษูดเป็นหุ้นส่วนอาวุโสเพราะฉะนั้นนะครับโปรดอย่าลืมว่าพระเยซูทรงอยู่กับพระวิดาในสวรรค์ พระวิญญาณถูกส่งมาในโลกนี้เพื่อทํางานร่วมกับเราเป็นเจ้านายของเราเป็นหุ้นส่วนอาวุโสที่จะแต่งตั้งเราและให้เราทั้งหลายไปเกิดผลเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ทรงแต่งตั้งอัครสาวกหรืออัครทูตให้ไปเกิดผลเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจบทบาทพลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแง่ที่ว่าพระองค์ทรง เป็นหุ้นส่วนอาวุโสของเราแท้จริงแล้วพ ร, พระเจ้าเองนั้นก็เป็นเจ้าของกิจการนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูได้ให้กับเรานั้นก็สถิตยอยู่ในเราและอยู่กับเราเพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะรับใช้พระองค์อย่างเกิดผลโดยมีหุ้นส่วนอาวุโสของเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะโปรดรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล โดยพึ่งพาโดยไต่าถามโดยมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมน